จากนิจ ย, ยสารธ ร, รรมะใกล้ตัวฉบับที่55เสียงอ่านโดยโจโช ไ, ไม่ควรสับสนว่าเคยมีเชื่อชาใดเมื่อเกิดในไทยต้องโตเป็นไทย